สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองวันนี้แอดมินมีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาจากคุณแพทซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่มีเซนและเจอผีบ่อยมากจึงอยากนำประสบการณ์มาแบ่งปันให้ฟังเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เธอได้ไปเช่าคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งคิดว่ามันดีและน่าอยู่แต่แล้วความเป็นจริงกับไม่ใช่สิ่งที่เธอคิด เรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสัมผัสสยองห0 6คอนโดเฮียนบนทำเลหลอน เราชื่อแพทต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่โดนผียามมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเหมือนจะมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นร่างกายแข็งชาลิ้นแข็งท้องหนโมในใจยังไม่ได้เลยจะทําได้เพียงแค่กรอกตาไปมาเท่านั้นเมื่อสามสิปีก่อนครั้งที่เรายังเป็นเด็กเราไปนอนที่บ้านยาก็เคยเห็นผีเด็กโผล่หัวห้อยออกมาจากผนังเหนือหัวเตียง และเคยได้ยินเสียงคนร้องไห้ตอนกลางคืนมาจากที่ไกลๆเมื่อตอนที่อยู่บ้านทั้งยังเคยเห็นเงาดำแวบไปแวบมาที่หางตาเมื่อตอนไปเที่ยวที่รีสอร์ท ต, ต่างจังหวัดในช่วงหนึ่งเดือนเสศษๆที่ผ่านมานี้เราได้เริ่มฟังเรื่องผีช่องสัมผัสสยองใน YouTube ฟังติดต่อกันมาเรื่อยๆและก็ชอบมากถึงขั้นติดงอมแงมเลยละ่ะ เพราะตัวเองเป็นคนที่มีเซนและโดนผีอํมทั้งยังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยอครั้งทำให้เราเชื่อว่าในโลกนี้วิญญาณมีอยู่จริงถึงแม้ตอนนี้เราไม่ได้อยู่เมืองไทยมาสิบกว่าปีแล้วแต่เราก็ยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยที่เรายังคงอยู่เมืองไทยได้ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนตอนนั้นเราย้ายที่ทำงานจากถนนเจริญกรุงไปถนนพัฒนาการก็เลยต้องย้ายที่พักอาศัยด้วยเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางและประหยัดค่าทางด่วนพี่คนหนึ่งที่บริษัทใหม่เขาได้แนะนำเราให้ไปพักที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักใช้เวลาแค่10นาทีในการขับรถ ซึ่งตัวพี่เขาก็พักอยู่ที่นี่เช่นกันเราก็ได้นัดกับน้องสาวที่เรียนอยู่มกรุงเทพมาดูที่พักด้วยกันถนนทางเข้าคอนโดมันจะเป็นซอยเล็กๆที่ติดกับถนนพัฒนาการถ้ามองไม่ดีก็มีโอกาสที่จะขับเลยไปได้ง่ายๆแล้วต้องไปกลับรถมาใหม่บริเวณรอบๆคอนโดจะมีบ้านอยู่สองหลังซึ่งมีเนื้อที่ค่อนข้างเยอะ และเป็นบ้านหลังใหญ่ติดกันซอยนี้ก็ไม่ลึกมาแต่เป็นซอยตันซึ่งจะมีโรงงานร้างอยู่ที่ท้ายซอยมันอยู่ติดกับคอนโดเลยรอบๆคอนโดก็จะเป็นทุงวงวา ง, วางและกว้างมากไม่มีบ้านคนห้องพักของที่นี่จะเป็นลักษณะห้องสตูดิโอมีอยู่สองแบบคือแบบตกแต่งปรับปรุงใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ เป็นไม้สีเข้มทั้งหมดพื้นเป็นกระเบื้องหรือแบบเก่าที่ยังไม่ถูกปรับปรุงจะมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆพื้นพรมเก่าๆแต่ก็ดูสะอาดดีมากที่นี่จะมีบริการทำความสะอาดมีผ้าปูเตียงปลอกหมอนมีบริการสร่งอาหารจากร้านอาหารของคอนโดน้องสาวของเราบอกว่าชอบห้องแบบใหม่มากกว่า แต่ตัวแพทย์เองรู้สึกว่าห้องแบบใหม่มันมีความเย็นเยือกอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็อยากได้ห้องใหม่เหมือนกันเลยตกลงทำสัญญาเช่าหนึ่งปีห้องที่ว่างให้เราสองคนได้เช่าเป็นห้องหมายเลข606อยู่ชั้น6ซึ่งแพทย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับเลข62สองตัวแต่ตามธรรมเนียมฝรั่งมันคือเลขของซาตาน คิดว่าสําหรับคนไทยอย่างเราก็คงไม่มีผลอะไรอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาแพทก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่มีน้องสาวมาช่วยขนของจัดของทั้งวันแต่คืนนั้นน้องไม่ได้มานอนค้างด้วยพอถึงตอนค่าเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแม่สั่งเราเอาไวา้ให้วายเจ้าทีเจ้าทางก่อนเข้าพักเราก็เลยรีบลงมาที่ทางเข้าคอนโด เพื่อจะไปไหว้เจ้าที่ที่ศาลแต่ปรากฏว่าทางเจ้าของได้มีการรื้อถอนศาลออกเราเห็นศาลขนาดใหญ่สองหลังที่ได้ถูกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมวางแบบระเกะระกะเอียงไปเอียงมาแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำพิธีเพราะยังทำพื้นที่ใหม่ไม่เสร็จเราเห็นดินที่ถูกขุดออกมากองเต็มเปยหมด เหมือนเขากําลังเตรียมจะเทคอนกรีตอะไรประมาณนั้นทำให้เราไม่รู้ว่าจะไหว้เจ้าที่ยังไงและถูบก็ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีเลยตัดสินใจยืนพนมมือแล้วก็บอกกล่าวกับเจ้าที่ว่าจะย้ายเข้ามาอยู่โดยเรานึกในใจไม่ได้พูดออกเสียงไปคืนนั้นไม่รู้เป็นอะไรเรารู้สึกไม่ดีกับห้องเลยมันรู้สึกเย็นยเยอือก หวงเหงและเงียบมาเลยเปิดทีวีให้เสียงดังเข้าไว้สักพักเราก็ออกไปยืนที่นอกระเบียงเพื่อรับลมก็มองเห็นแต่ทุ่งกว้างในความมืดและป้ายไฟเนออนของโรงพยาบาลเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ด้วยความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียจากการขนของยายห้องเราก็เลยเข้านอนปิดไฟ และปิดทีวีตามปกติเพราะเป็นคนไม่ชอบเสียงดังชอบความมือและความเงียบสงบเวลานอนมากกว่าพอนอนไปได้สักพักเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวชาเหมือนกับโดนผีอ่าที่รู้ได้เพราะเราโดนอยู่บ่อยๆตอนนั้นเราพยายามเหลือกตาไปมาก็พอขยับได้แต่เมื่อพยายามขยับเลน พยายามที่จะท่องหน้าโมสวดมนต์กลับทําไม่ได้จนสุดท้ายเราก็แพ้และโดนอัมร่างกายของเรามันแข็งไปหมดในความมืดนั่นเองสายตาเราก็มองไปที่ประตูห้องซึ่งอยู่เยื้องกับปลายเตียงไปทางซ้ายมือมันทำให้เราเห็นร่างดาร่างหนึ่งสูงเข้าเพดานห้องร่างนั้นไม่มีหน้ามือยาว แขนยาวขายาวพอมารู้ตัวอีกทีร่างดำนั้นก็ได้มานั่งข้างตัวเราบนเตียงแล้วเราเห็นมือดำที่มีขนาดใหญ่มากมันใหญ่ขนาดที่จะสามารถบีบรัดตัวเราทั้งตัวได้เลยมือนั้นได้รวบแขนของเราทั้งสองข้างมาอยู่ที่กลางลำตัวเราพยายามดิ้นสุดชีวิตกะว่าจะสู้ตายแล้วแบบนี้ พอดิ้นไปดิ้นมาได้สักพักจนสุดท้ายก็หลุดออกมาได้ร่างดำนั้นก็หายไปเสียดือด้อเราจะไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันกี่โมงกี่ยามรู้แต่ว่าเรากลัวมากจนต้องเปิดไฟสว่างทั้งห้องเลยแม้แต่ไฟห้องน้ำเราก็เปิดและเปิดทีวีเสียงดังแบบไม่กลัวห้องข้างๆจะด่าเลย เรานอนไม่หลับจนเช้ารอคอยใหออฟฟิศของคอนโดเปิดจะได้ไปติดต่อขอย้ายห้องเมื่อออฟฟิศเปิดเราก็ขอย้ายห้องในทันทีซึ่งเราได้ห้องพักที่ชั้นสิบเป็นห้องแบบเก่าที่มีพรมแต่เราก็ตัดสินใจตกลงที่จะย้ายหลังจากเลิกงานเย็ยนวันนั้นแล้วเราก็ย้ายของออกจากห้องทั้งหมดเลยเพียงคนเดียว และใช้เวลาไม่มากนักอาจเป็นเพราะความกลัวหรืออะไรก็ไม่รู้สิห้องใหม่ที่เราย้ายเข้ามามันมีสีโทนออกน้ำตาลชมพูดูแล้วไม่รู้สึกเย็นเยือกเหมือนห้องเก่าแต่เราก็ยังมีความกลัวอยู่เต็มเปี่ยมจากเหตุการณ์เมื่อคืนก็เลยนอนเปิดไฟเปิดทีวีทั้งคืนแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่เราก็หลับไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะความกังวลก็ได้เราทนอยู่ที่คอนโดนั้นต่อไปให้น้องสาวกับเพื่อนๆผลัดกันมานอนเป็นเพื่อนทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์มันช่วยให้เราหลับสนิทและหลับได้อย่างสบายใจไม่กี่เดือนต่อมาสารเจ้าที่ก็มีการเคลื่อนย้ายเสร็จสมบูรณ์ไม่เห็นว่ามีพราหมณ์มาทาพิธี เรากับน้องสาวก็ไปจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันโดยนำธูปเทียนและพวงมาลัยไปไหว้ด้วยแต่มันก็ยังไม่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นวันหนึ่งน้องสาวอยู่ๆก็มาเล่าให้เราฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่น้องมานอนด้วยซึ่งตอนนั้นเราหลับไปแล้วน้องสาวเราก็หลับเหมือนกันแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะได้ยินเสียงเคาะประตูกระจกที่ระเบียงดังมามันดังอยู่หลายรอบซึ่งห้องของเราอยู่ชั้นสิบแล้วใครจะปีนมาเคาะประตูระเบียงได้ในเวลาแบบนี้น้องเราไม่ได้ลุกออกจากเตียงไปดูแต่ว่าคลุมโปงเลยและพยายามขมตาให้หลับพอเราได้ฟังแล้วก็ยิ่งทำให้หลอนไปมากกว่าเดิม บวกกับความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องวันไหนที่เราต้องนอนอยู่ห้องคนเดียวทําให้เรากังวลและคิดมากจนทําให้เราเกือบจะเป็นบ้าเวลาล้างหน้าอาบน้ำหรือสระผมเราไม่เคยหลับตากลางคืนไม่เคยปิดไฟทีวีเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนทําให้ค่าไฟแต่ละเดือนแพงมาก เราทนอยู่ไปได้อีกไม่นานพอเข้าเดือนที่หก็ต้องย้ายออกจากคอนโดและยอมเสียเงินมัดจำให้ทางคอนโดไปเลยเป็นจำนวนหลายหมื่นหลังจากย้ายออกแล้วเราก็กลับมาบ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังรวมทั้งสถานที่ตั้งด้วยแม่เราก็บอกกับเราว่าคอนโดนี้ตั้งอยู่บนทำเลที่ห่วงจุ้ยไม่ดีซอยก็ตัน แถมยังอยู่ติดโรงงานรางบริเวณโดยรอบก็เป็นทุ่งโล่งกว้างที่น่ากลัวพอมองออกไปก็เห็นโรงพยาบาลอีกมันทำให้เราได้คิดว่าเราคิดผิดมากที่ไปเช่าคอนโดนั้นตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคนในครอบครัวของเราก่อน สมภัทสย